ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านะั้นสอนให้คนคิดใช้วิจารณญาณไม่ใช่ว่าสอนให้คนไม่ใช่ความคิดอะไรซสียเลยก็จึงว่าแนะนำให้วิจิตรู้ธรรมะแต่ละข้อละข้ อ, ขอนะั้นเอะ มันเป็นเรื่องชวนให้คิดทั้งนั้นแหละฉะนั้นอย่าพากันดูได้ไปเฉยๆดูธรรมะดูวินยัยดูแลต้องเอาไปขบคิดเอาไปพิจารณาให้รู้จักความหมายของธรรมะวินัยแต่ละข้อ ให้รู้จักความหมายในทางปฏิบัตินะวินัยข้อนี้ท่านบัญญัติให้ปฏิบัติอย่างนี้ให้เว้นอย่างนั้นอย่างนี้นะให้รู้ความหมายอย่างนี้ในทิศขาวบทวินัยข้อนี้มันมีข้อแม่อยู่บางอย่างการู้อย่างนี้นะ พ่อแม่ในหมายพรามว่ามียกเว้นอยู่บางอย่างบางอย่างห้ามอย่างนี้นะมีโยเช่นอย่างไอ้ที่าบทที่บรรยิห้ามให้ไม่ให้ภิกษุเดินทางด้วยเดินทางไกลด้วยกันกับ นาภิกษุนี้่เว้นไว้จะทังเปรี่ยวอืหนึ่งนี้แหละคันทางไม่เปรี่ยวไหมเพราะว่าไม่ได้ข้ามดงข้ามเขาไปตามหมู่บ้านอย่างนี้ห้ามอแล้วคนต้องรู้จักความหมายของสิกขาบทแต่ละข้ออย่างนี้นะ เมื่อเรารู้จักดีแล้ววันนี้แล้วก็จําแม่นที่วันนี้นี่ผู้เรียนธรรมวินัยนี่เพลงไปท่องจําได้เฉยๆถ้าไม่น้องเข้าไปคิดไปกลองให้รู้จักความหมายอย่างที่ว่านี่มันไม่จําหรอกเดี๋ยวก็ลืมเลือนไปแล้วถ้ามได้น้องเข้าไปวิเคราะห์ดูถ้าพูดถึงสิขาบทก็นี้ สิชาบุไดที่ต น, นวิเคราะห์ให้ละเอียดถีทั่วนะมันจำไม่ลืมเลยมันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกวา่าแนะแนวทางให้การเรียนการจำอย่าพัากันอยู่เฉยเตือนอยู่นี่แหละนะเพราะว่าใครๆก็ช่วยเราไม่ได้ในเรื่องธรรมวินัย มันตัวของใครตัวของเราจะต้องเรียนร้องรู้ต้องจำเองเนียแล้วก็พยายามงดเล่นตามที่เรียนที่รู้จำมานั้นไม่มีใครจะไปตามรักษาเราตักเตือนเราอยู่ตลอดเวลาไปอันนี้ไม่มีเนี่ยคิดดูให้ดีเมื่อไม่มีผู้ที่จะติดตามตักเตือนอย่างนั้น เราก็เอาความรู้ความจําในธรรมวินัยนี่แหละเป็นครูก่านี่คอยตักเตือนตัวเองอยู่เสมออย่างนี้นะเหตุนั้นท่านจึงให้เรียนนั่นแหละไอ้ น, นีนะ่ให้เรียนให้จําเพื่อจะได้เอาเป็นครูคอยตักเตือนเวลาจะทําอะไรพูดอะไรก็ต้องนึกถึงวินัยซะก่อน ถ้าไม่ผิดวินัยล้วก็ถึงค่อยทําค่อยพูดอย่างนี้นะแล้วทีนี้เมื่อเราจำํำทำจำําวินัยไม่ได้แล้วมันจะไปนึกได้ยังไงล่ะนี่มันจะไปนึกว่าเรื่องที่เราจะทําคําที่เราจะพูดเนี่ยมันผิดวินัยหรือไม่นอ่นี้ก็ไม่รู้เลยอืเมื่อเป็นทีนน่นี่มันก็อาจล่วงวินัยไปได้เลย เความไม่รู้ความไม่จานี่เองเนี่ยนั้นต้องให้พากันเข้าใจธรรมะก็เหมือนกันทุกอย่างมันควรมีในใจของเราทั้งนั้นหละทาก็ดีวินัยก็ดีบางอย่างมันก็ไม่ผิดวินยัยแต่มันผิดธรรมนี่ความบกพรติของคนเรานี่นะอย่างเช่นว่า คำสอนเสียดในกะในสินห้านะั้ไม่มีคำพูดสอเสียดคำพูดหยาบคายคำพูดเพ้อเจอ้ออันนี้ไม่มีไม่ได้บัญญัติไว้เลยแต่ในกรรมวฎสิบนั่น่ะในอกุศลกรรมวฎสิบอันใดทรงสแสดงไว้แล้วนั่นมันเป็นเรื่องของธรรมะได้นละยอกุศลกรรมวฎสิบ กุศลกรรมบทสิบ อ, อย่างนี้เราพูดคำยาพูดอะไรมาไม่ผิดข้อศีลหรอกแต่ว่าผิดธรรมอย่างนี้นะแต่ว่าวินัยของพิกสูเนี่ผิดแน่เช่นไปนด่าพิกสูงนี้กับเป็นอาบัติแล้วส่ อ, อเสียดยุโยงให้พิสษุ ทะเลาวิวาดกันเนี่ยนี่ก็เป็นอาบาดอย่างงี้ไม่ไม่หมายเอาแต่พูดเท็จอย่างนี้สําหรับปีในของมิธุเนี่ยละเอียดกว่าของครือขัดมันเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นว่าเมื่อเราเป็นผู้น้อยอย่างนี้นะหากว่าเราจะพูดธรรมะ พิธในอะไรกับผู้อื่นซึ่งนั่งอยู่ใกล้กับอุปชาอาจารย์อย่างนี้นะมีเหตุจำเป็นที่จะต้องได้พูดจากับบุคคลบางคนเกี่ยวกับทมกับพินในอะไรก็ต้องขอโอกาสผู้เป็นประปู้ปทานก่อนผมขอโอกาสขอพูดกับคนผู้นั้นผู้นี้ อย่างนี้นะถ้า เ, เพื่อนให้โอกาสแล้วอย่างนี้เราก็จึงพูดไปแต่ถ้าเรานั่งอยู่ใกล้กับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนั้นเวลายาติโยมหรือใครเข้ามาสนธนาไถ่าถามธรรมะธรรมโมอะไรแล้วเราไม่ได้ขอโอกาสกับผู้ที่เป็นพระพุทธทานก่อนแล้วไปพูดสั่งสอนผู้อื่นต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้นะอันนี้ก็ ปรับอวัตทุกฎเนีนั่นต้องเรียนรู้ไวเองวันนั้นคือที่พระ อ, องค์เจ้าทรงบัญญัติอย่างนั้นมันก็มีความหมายว่าถ้าหากก็ไม่ขอโอกาสท่านอย่างนี้มันเป็นการแสดงความไม่เคารพนี่ต่อผู้หลักผู้ใหญ่มันขาดความเคารพมันไม่เป็นธรรมอย่างนี้แหละ ถ้าขอโอกาสจะแล้วท่านเปิดโอกาสให้แล้วอย่างนี้มันก็พูดได้ไม่ไม่ถือว่าเป็นความไม่เคารพมันเป็นยังไนเพราะฉะนั้นอย่าพากันอยู่เฉยๆต้องหาตำรับตำลามีโยในหอสมุดอ่ะทางธรรมะทางวิในเอามาท่องมาจำกัน เมื่อเขา้าพรรษาเราก็จะได้เรียนนักธรรมกันผู้บวชเข้ามาใหม่หรือบวชเก่าก็ตามก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆจนจบหูมนักธรรมหูมธรรมก็ชั้นเอกนะเมื่อสอบนักธรรมเอกได้แล้วก็เป็นอนว่าจบ อย่างนี้แหละให้เข้าใจการบวชมาแล้วนะผู้กำลังจะบวชอยู่ก็เหมือนกันให้เข้าใจความหมายไม่ใช่ว่าพอจะได้บวชมาได้นุ่งห่มผม้าเหลืองโกนผมโกนคิว้วแล้วอย่างนี้จะเป็นพระไปเลยไม่ต้องเรียนอะไรไม่ไใช่แล้วก่อ็วันจิตเป็นพระโดยคุณธรรมได้นะ มันก็ต้องเริ่มเรียนต้องจำทำคำสอนของพระเทเจ้าเลยให้มันได้สะก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติสํารวมระวงังตนตามไปไม่ให้ขาดตกบกพร่องอย่างนี้นะมันก็เป็นลำดับลำดับไปอย่างนี้เนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์เมื่อตอนมีความรู้อยู่กับตัวแล้วอย่างนี้ แม้จะไม่มีครูอาจารย์คอยกำกับคอยตักเตือนตนเองก็เตือนตนเองได้นั่นเพราะมีธรรมมีวินัยอยู่ในใจอยู่แล้วจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ต้องนึกถึงธรรมถึงวินยัยซะก่อนเมื่อเห็นว่าไม่ผิดแล้วก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปอย่างนี้นั่นแหละเห็นพระบางองค์ มันเน่ตนเป็นเคยเป็นกระเรหัดปานี่ยใสกระเรหัดมันติดมาเห็นใครทำย่าให้ไม่ทันใจแล้วรอกพุตธิก็ไปคว้าเอาจอบเอาเสียบมาทำซะเองเนอ่ยโไม่คคำนึงถึงว่าพุทธบัญญัติห้ามไว้ยังไงไม่คำนึงเลยเรียกว่าไม่เป็นบาปไม่เป็นโทษอย่างนี้นะ เนี่ยความไม่รู้นะมันเป็นเหตุอย่างนี้เนะี่ยความไม่รู้มันเป็นเหตุให้คนเราทําบาปคําว่าต้องอาบัต์นั่นก็คือทําบาปนั่นเองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นนะแต่ว่าสํานวนทางพุทธินยัยถ้าโนอาบาัติแปลว่าความต้องในสํานวนในทางโลกเขาเรียกว่าทําผิกดกฎหมาย อในในทางธรรมะเรียกว่าทำบาปอย่างนี้นะต้องให้เข้าใจเ <c oughs> มื่อเราเข้าใจธรรมวินัยดีอย่างนี้แล้วมันก็รักษาตัวให้บริสุทธิ์ได้แบบนี้นะบริสุทธิ์ต่อธรรมต่อวินยยัยมันเป็นงั้น ท่านผู้ที่บวชมาไม่อยู่ห่างไกลาจากอุปัชฌาย์มาแล้วหากห้ามหัวใจของตนก็ไม่ได้เดี๋ยวพะพตชปรมปราไปอย่างนี้มันก็เสื่อมแล้วพุามจานทร์มันเจ ร, ริญได้ยากเลยมันเบียงกั น, นแต่ถ้าผูใ้ใดสำรวมตนด้วยดีจริงๆเอาธรรมวินัยเป็นครูเป็นอาจารย์ ไม่ประมาททั้งกลางวานันกลางคืนอย่างนี้ก็มันก็พอเอาตัวรอดไปได้แถึงจะอยู่ห่างไกลาจากอุชาอาจารย์ไปบ้างอย่างนี้เราเอาทำไม่ไดที่เรียนที่จำมานั่นเป็นครูเป็นอาจารย์ก่อนจะทำจะพูดอะไรก็อย่างว่านะต้อง น, นึกถึงทำไม่ได้ก่อนอย่างนี้มันก็ไม่เสียหายยับยั้งใจได้ ถ้าแบบบางคนรู้แล้วมันขืนทํานี่น่ะมันไร้การมากอันนี้นะเป็นความประมาทอย่างไรแรงรู้แล้วขืนทําลงไปนี่นะออืเป็นความประมาทมากให้พากันเข้าใจก็เรารู้อะไรแล้วเป็นโทษอย่างเนี้ก็ต้องสำรวมระวังอต้องอดทนอดกั้นต่ออำนาจของกิเลสมันจะพาให้ล่วง สิกขาบทวิในน้อยใหญ่ต่างๆนั้นลงไม่รู้อำนาจแกกิเลสเหล่านั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้ล่วงสิกขาบทวิในไม่ได้ทำบาปก็ง่ายๆแต่ว่ามีน้อยคนนักที่จะรักษาตัวได้นะ่ะไอ้ผู้บวชเข้ามาใหม่ไม่ทันนานอะไรเนี่ย ถ้าหากว่าได้อยู่ใกล้กับอุปชาอาจารย์ได้รับคำแนะนำตักเตือนท่านพาทำความเพียรพาประพฤติปฏิบัติไปอย่างนี้ก็ยังชั่วหน่อยนะพวกขความเคารพจำเกรงจะทำอะไรตามใจชอบของตนก็ไม่ได้อย่างเช่น ระเบียบที่วางไว้นะั้นต้องปฏิบัติกันให้เคร่งครัดนะอ่านดูที่กระดานที่เขียนไว้นั้นต้องอ่านเสมอแหละทั้งผู้ที่กำลังจะบวชนีก่ก็เหมือนกันเนะี่ยที่ลงครัวบ้านเมชีห้ามไปคุกพี เว้นเสียแต่มีการเจ็บป่วยลงแล้วก็ช่วยดูแลกันอย่างนี้หรือว่ามีกิจธุระอะไรการซ่อมแซมที่อยู่ของโรงครวบกอะไรพวกนั้นเมื่อมีกิจจำเป็นอย่างนั้นก็ต้องเรียนให้ผู้ใหญ่ได้ทราบแล้วเพื่อนเห็นดีอนุญาตให้ไปซ่อมแซมไปอะไรก็ไปได้ ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอย่างว่านั้นน่ะไปแบบลอยๆไปอย่างนั้นไปมันมีอารมณ์อยู่ในใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไประบายอารมณ์อ น, นั้นอย่างนี้ไม่ได้ร ะ, ะเบียบอันนี้เราต้องเ้ารบอย่างเคร่งคัดเลยบางความเห็นว่าอุปชาอาจารย์ไม่อยู่แล้วก็ ลอยไปอย่างนี้ไม่ได้นะขอเตือนไว้ก่อนถ้ากลับมาได้ทราบว่าใครล่วงเกินระเบียบเหล่านี้แล้วก็จะต้องวิรยิยะไยโทษกันนะวหวังที่จะมาชำระกิเลสตัณหานะจึงเข้ามาบวชในศา ส, สนานให้นึกให้เตือนตนอย่างนี้เสมอไป ไม่ใช่ว่าเราบวชเข้ามาเพื่อแสวงหาการมคุณอย่างนั้นจะมาแสวงหากามคุณในที่อย่างนี้ทำไมมันไม่สมควรมันจะมีอะไรอยู่นี่มันก็มีต่พูประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหมดทั้งหญิงทั้งชายและอย่างนี้การประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่นุ่งห่ม เครื่องหมายภายนอกเฉยๆแต่ภายในจิตใจรกชัดอยู่ด้วยราคะตัณหาเช่นนี้มันไม่สมควรเลยนี่ตกเตือนตนเขาไว้เมตชีก็ดีอย่างที่เตือนนั่นแหละเขพยายามรักษาขอวัดปฏิบัติไว้ให้ดี ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีมันก็มีธาตุสี่ขันห้าเหมือนกันแล้วคนมีอายุมากอายุน้อยก็ดีมันก็แค่นั้นแหละจะไปอ้างว่าเราเท่าแก่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ร่วงอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้มันไม่ถูกนะเราต้องทรมานตนฝึกตนเข้าไป ฝึกการนอนฝึกการนั่งฝึกการอยู่การกินมันนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียกว่าทำทนให้พอเหมาะพอดีกับความเป็นโยของคู้เป็นนักบวชอย่างนี้นะแล้วทำยังไงมันยังพอเหมาะพอดี มันก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติธรรมแต่ละคนนั่นแหละแล้วก็ดูตัวอย่างของผู้เพื่อนรักษาข้อวัดปฏิบัติมาด้วยดีเอาถือเอาไปเป็นตัวอย่างอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามชอบใจตัวเองอย่างเดียว ไม่มองดูผู้อื่นเอามาที่เพื่อนทำเป็นแบบฉบับที่ดีอันนี้ไม่เอามาเป็นตัวอย่างอ น, นี้มันไม่สมควรนะเพราะเรามาประพฤติทำหรือประพฤติคมประจันอยู่เป็นหมู่เป็นพวกอย่างนี้มันก็ต้องมีผู้หัวหน้ามีผู้นำอย่างนี้แหละ เมื่อเราไม่ไม่มองดูผู้หัวหน้าเป็นแบบฉบับอย่างนี้มันก็ไม่มีหลักคำประกันอะไรเลยความบกพริตตนะความเป็นอยู่นะมันเป็นงนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้เป็นหัวหน้าทําผิดทํำวินัยอย่างนี้เอออย่าไปทำตามเหมอนนั้นไม่ต้องทําตามและวถ้ามองดูเพื่อนเห็นว่าเพื่อนบกพริติตรงต่อทำต่อวิ น, นัย เช่นนี้เราเรามาทีหลังนะ่ะมันควรเดินตามเลยควรเอาอยางไม่เอาอยางนนั้นมันยังช่วยตัวเองไม่ได้พราะมาใหม่ก็ยังว่าใหม่ดูแต่หน่อไม่ไผ่มันก็อาศัยแม่ของมันนั่นแหละมันยังอ่อนอยู่มันขึ้นมาแม่มันช่วยบังลมไว้ไม่ให้มันหักก่อน ต่อมามันอยู่ไปนานวันนานเดือนไปมันก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นวันนี้มันก็โด่ขึ้นไปอยู่โดนลมพังได้เพราะว่าลำต้นมันแข็งแล้วลมพัดก็ไม่หักอันนี้เหมือนกันแหละผู้ประพฤติทมในพุทธศาสนานี่เมื่อตนยังอ่อนความรู้ความสามารถอะไรต่ออะไรอยู่ ก็รู้ตัวว่าตนยังอ่อนอยู่นี่มันก็ต้องอาศัยคู่ที่เพื่อนแก่กลัวนั้นคู่เพื่อนแก่มาแล้วแก่ในการประพฤติปฏิบัติในการฝึกตนทรมานตนมาอย่างนี้นะมเมื่อเราอ่อนน้อมทอมตนลงปฏิบัติตามโอวาทที่ทันแนะนาสังสอนไป กิเลสตัณหาที่มันเคยคึกขนองมาแต่ก่อนมันก็เบาลงอย่างนี้แหละก็ย่างว่าเราบวชมาหรือเข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวาอารามก็มุ่งหวังที่จะทำให้กิเลสมันเหือดแห้งไปไม่ใช่เรามาอยู่เพื่อหวังผลประโยชน์อย่างอื่นใดไม่มีทันว่่จุดมุ่งหมายมีอย่างนี้นะเราก็ต้องฝึกตนเข้าแหละอืม บังคับตัวเองให้ได้แล้วจะไปคอยตะพูนบังคับอยู่ตลอดเวลาไม่ได้รองไม่ได้ให้เข้าใจใครจะไปตามรักษาเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีแล้วในโลกนี้ตัวเขาตัวเองนั่นแ่ละรักษาตัวเองไม่ให้ร่วงทำร่วงวินัยเมื่อไม่ไม่ร่วงทำร่วงวินัยแล้วความบกพร่อมันก็สม่ำเสมอ ทั้งต่อหน้าคนมูมากทั้งอยู่ตัวคนเดียวก็อยู่ด้วยธรรมด้วยวินัยคนผู้ปฏิบัติธรรมนี่ส่วนมากถ้าไปอยู่ผู้เดียวแล้วหากก็าไม่ระวังจิตใจจริงๆเนี่ยมันมาเกี่ยคิดเส่ไปตามอำนาจของกิเลสที่ตนเคยสะสมมันมา จิตเคยพุ่งไปผูกพันอยู่กับความรักความชังอะไรแต่อดีตล่วงมาแล้วมันก็มาเกะทุกทวนนึกถึงแต่เรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วมันก็เป็นการส่งเสริมราคะตัณหาเกะกล้าขึ้นไปนั้นแหละเป็นจุดด่างพร้อยของกูประพฤต ธ, ธรรมหรือประพฤติพรหมจรรย์ต้องให้รู้ไว้ดังนั้นเราจึงได้มีการนัดประชุมกัน อบรมกันอย่างนี้ก็เพื่อมาช่วยกันหลายทางเรียกว่าเป็นการฝึกสำรวมตนแม่ให้รู้อำนาจแกกิเลสก็ต้องเอาหลายทางเราปฏิบัติตามอปริหารยธรรมเจ็ดอย่างนั้นีน่มันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่เลอนี่เราปฏิบัติกันนี่ ทรงสั่งสอนว่ามันประชุมกันเนืองนิดอย่างงี้นะ น, นเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทํากิจที่หมู่คณะจะพึ่งทําอย่างนี้ถ้าเราได้ปฏิบัติตามนี้แล้วพระองค์เจ้าทรงยืนยันว่ามีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวทางเสื่อมไม่มี และข้ อ, อ, ข อ, อต่อไปก็เหมือนกันเนี่ยให้พากันดูกันเรียนให้รู้ทำเหล่านี้ที่พระ อ, องค์เจ้าทรงแสดงว่าอย่างนั้นก็แสดงว่าไอ้ผู้มาใหม่นีน่มันยังไม่รู้ไม่ฉล า, าดอย่างนี้จิตใจก็ยังอ่อนศรัท ธ, ธาก็ยังอ่อนโยงนี่นะดังนั้ น, เน่เราเมื่อประชุมกันแล้วอย่างนี้ ผู้เป็นประมุขประธานก็ได้ปลุกปลอบจิตใจให้มีศรัทธากล้าหาญขึ้นในอันที่จะประพฤติทำให้ยิ่งขึ้นไปประพฤติดีในให้เข้มงวดเข้าไปก็ อ, อย่างนี้ละที่ผู้บวชเข้ามาแล้วจะเป็นผู้จเจริญในพรหมจรรย์ไปได้จะมั่นคงไปได้ อันผูดด้ใดแล้วนะพาบวกเข้ามาแล้วอยากกะหาหนทางนี้จากอุปชาอาจารย์ไปเลืออเล่อยเปื่อยไปเท่าที่เราผ่านมาแล้วนะไม่เห็นมันเจริญอะไรนะนหนอเนึ่งก็มาลาศึกแล้วอย่างนี้นะมีน้อยคนที่จะมั่นคงไปได้นะั่นเป็นแบบนั้นนะสังเกตดูแลนะ้วถ้าผู้ใด อยู่ใกล้ชิดกับอุปชาอาจารย์เข้าไปฝึกตนเข้าไปรับใช้รับสอยเพื่อนไปฝึกความเฉลียวฉลาดในปฏิคมในสังคมจะสารเข้าไปอย่างนี้นะจิตใจมันก็ค่อยมั่นคงไปไอความรู้สึกตัวว่าตัวเป็นพระก็ค่อยค่อยมีขึ้นค่อยมากขึ้น อ่าอย่างงี้เนี่ยความรู้สึกตนว่าตนเป็นพระเป็นเนนไอ้อย่างนี้มนะันไม่ใช่ง่ายๆนักนะถ้าบุคคลประมาณเนี่ยมันจิตใจไปผูกพันอยู่แต่เรื่องรักเรื่องใครเรื่องอยากได้อะไรต่ออะไรอยู่นั่นเนี่ยมันไม่ได้นึกตนเ่าเป็นพระเป็นเนเนี้ใจนั่นะความรู้สึก อ, ะอ่ะมันเป็นเครือข่าอยู่ตั้งแปดสิบเอร์เซ็นแ์ตรนี้ เบ็นั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้เข้าใกล้เข้าชิดกับท่านผู้มั่นคงมาก่อนแล้วอย่างนี้นะเอืฝอกใจของตนให้หนักแน่นไปตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนเข้าไปอย่างนี้เมื่อใจมันไม่ประวัติไปภายนอกไม่ไปเดินทางรกชัด ได้แก่กิเลส ก, กรรมวัตถุกรรมดังที่กล่าวมาแล้วหมดนั้นอ่ามันใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับวัดกับวาอย่างนี้นะเป็นกลางอยู่ได้อย่างนี้นั่นแหละมันถึงได้รู้ว่าตัวเป็นพระเป็นเนรแบบนี้นะความเป็นพระนี่โอ้ความเป็นพระเป็นอย่างนี้หนาอย่างนี้มันก็พอรู้ได้อ่ะแต่ว่ารู้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซนตหรอกแต่รู้ได้รู้สึกตัวได้ ไม่ใช่ง่ายนะการที่ว่าบวชจะเป็นพระเป็นเนนโดยคุณธรรมนี่นะ่ะมันต้องผ่านการฝึกตนอบรมตนทรมานตนในเต็มที่ซะก่อนจนว่าจิตมันลงเป็นกลางได้อย่างที่ว่านี่เนะี่ยนั่นจึงได้ชื่อว่าเป็นพระพิกษุทธสมเนนโดยคุณธรรม เป็นอย่างนั้นให้ฟากันเข้าใจจริงเนะี่ยพระเนรบางรูปบางองค์พอบวชขมาแล้วอยากจะไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมญาติเพื่อไปอวดญาติพี่น้องให้พ่อแม่ได้เห็นผ้าเหลืองอะไรว่าลูกตนได้บวชแล้วไอ้อย่างนี้นะมันไม่ถูกนะอันนี้ ก็เพื่อนรู้อยู่แล้วว่าเราเราบวชนี่พ่อแม่ก็รู้แล้วจาเป็นอะไรที่จะต้องไปให้เพื่อนได้เห็นอะไรอีกถ้าจะให้เพื่อนได้เห็นน่ะต่อเมื่อตนได้ฝึกตนมั่นคงดีมีความรู้ในธรรมวินัยพอที่จะไปแนะนำสั่งสอนเพื่อนได้อย่างนี้น่ะเออก็สมควรอยู่อันนั้นน่ะ แต่ถ้าว่าตนไม่มีคุณลักษณะอย่างว่านี่แล้วผู้หวังดีในพรหมจรรย์เนี่ยไม่ควรที่จะไปคิดอย่างนั้นต้องคิดว่าอย่างไรก็ต้องฝึกตนไปซะก่อนเรานี่จนกลัวว่าเราจะมั่นคงในพรหมจรร์นี้มีความรู้ความฉลาดในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรแล้วอย่างนี้จะไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมช่องสมควรอยู่ ถ้ามีผู้มาถามธรรมวินายเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องข้อวัดปฏิบัติอะไรก็พอที่จะพูดให้เขาฟังได้ชักจูงคนที่หลงให้รู้ตัวเข้ามาก็พึ่โดยถูกต้องตามศิลธรรมเข้าไปในทางพระวในัยท่านกำหนดไว้ห้าภาษาในระยะห้าพันษานี่ ไม่ควรที่จะไปอยู่ปราชจากอุปชาอาจารย์ถ้าไม่ได้อยู่กับอุปชาก็ต้องผู้รู้ทำรู้วินัยพอที่จะสั่งสอนตนได้อย่างนี้ก็ขอนิสัยกับท่านได้ถ้าวาตนมีพรรษาสองเข้าไปก็ผู้ที่จะให้นิสัยมันก็ต้องมีพรรษาตั้งแต่เจ็ดแปด พันสาขึ้นไปอย่างนี้นะแต่ทนมีพันษาสามสี่ขึ้นไปอย่างนี้ผู้ที่จะให้นิสัยเนี่มันก็ต้องพันษาแปดเก้าหรือสิบขึ้นไปอ่ามันมันเป็นอย่างนี้ในวีไรเดต้อาไว้กล ด, ดูให้ดีเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอนะ่ะเมื่อเรามาดูตามหลักทำหลักวิทยในอย่างนี้เรา โอภาษาตาดาทรงวางระเบียบอันนี้ไว้ก็เพื่อที่จะให้คุณบุตรผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้จะได้มั่นคงในปมจันนี้เพราะว่าเมื่อปฏิบัติตามระเบียบอย่างว่านี้แล้วกีเรศมันก็จะครอบงำจิตใจไม่ได้ถึงมามันจะยังมีอยู่มันก็จะไม่กําเริบอย่างรุนแรงถึงกับให เกิดความเสียหายขึ้นมาในเมื่อเรามีข้อว่าปฏิบัติอยู่ในเมื่อเคารพต่อระเบียบอันดีงามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนา ส, สอนหรือทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้ด้วยดีอย่างนี้นะก็ย่อมมีความเจริญในธรรมในวินยัยหรือว่าเจริญด้วยบุญด้วยกุศลริงทีเดียว บุญกุศลก็ย่อมเจริญขึ้นใน จ, ใจิตใจทำให้เป็นคนใจสงบใจเยือกเย็นอย่างนี้แล้วก็พูดเช่นว่ามานี่ก็อยู่ในพรอาจารย์ได้เลยแบบนี้เอาเพื่อพรอาจารย์ไปได้ส่วนความพังเผอในการต้องอาบัตบางสิ่งบางอย่าง อันเล็กๆน้อยๆ อ, อันนั้น่ะมันไม่สำคัญเท่าไรหรอกเมื่อเรารู้ตัวว่าได้พังเผยได้รู้แสดงอาบัตเสียอันที่มันเสียหายจริงๆมันนุ่นอาบัตหนักโน่นน่ะนั่นเลงมันเริ่มตั้งแต่อาบัตทุนละใจขึ้นไปหรืออาบัตทุกกดกืยกตัวอย่างเช่น ที่สุที่มีจิตกำเริบโดยราคะตัณหาขึ้นมาแล้วก็ไปเพ่งในรูปเพศโกงกันข้ามเท่าไปดับเพ่งตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมาถึงหน้าอกด้วยความกำนัดยินดีว่าตรงนั้นช่วยตรงนี้งามปรับอาวัตถุในใจนี่นะ ให้เข้าใจไว้ถ้าเพ่งขึ้นไปบนศีสะปรับอวัตถุ ก, กฎเพ่งไปหัวเข้าลงมาถึงแข้งกปรับอวัตถุ ก, กฎทอนกลางในปรับอวัตถุนัใจเราให้รู้ไว้อันนี้จะว่าต้องอวัตถางใจก็ถูถ้าถ้านั้นก็สงสัยก็ไปเกล ไปเปิดดูวินัยให้ดีดูวินัยมุกที่ท่านอธิบายไว้หรือดูกุปสิกขาก็ได้นี่นะเนี่ยแสดงว่าที่พระ อ, องค์เจ้าทรงบัญญัติอย่างนี้นะเพราะวินัยนี้บัญญัติห้ามทางจิตใจด้วยโอ้ก็จริงแหละขดใจเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่าง อันวินัยจะมีได้ก็เพราะใจสำรวมอใจเห็นคุณค่าของวินัยแล้วก็จึงสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ล่วงนี่มันถึงเป็นวินัยได้ถ้าไม่สำรวมใจแล้วอย่างนี้จะให้มีวินัยนั้นไม่ได้หรอกไม่ได้อืมมันมีไม่ได้พอเมื่อไปสำรวมใจแล้วราคะโทสะก็ครอบงำ เข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้ล่วงวินัยล่วงธรรมล่วงวินัยได้โดยแท้จริงมันเป็นอย่างนั้นถ้าพระในสำรวมใจได้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละจริญพนภากรรมฐานเข้าไปผู้ราคะเจริญก็จงมันเพ่งอตุภกรรมฐานให้มากเรื่อยๆไปทีเดียว ให้เพ่งถึงความไม่สวยไม่งามของทุกสิ่งทุกอย่างารูปร่างที่มีวิญ ญ, ญาณครองก็ดีรูปที่ไม่มีวิญญาณคลองเช่นเครื่องใช้ไม่สอย ต, ต่างๆผ้านุ่งผ้าห่ามอะไรต่ออะไรเนี่ยโอนี่นะเมื่อเมื่อเมื่อความเป็นผู้ไม่สัมรวมจิตแล้วมันกำหนัดไปทั้งนั้น่ะเห็นอะไรสวยๆงามแล้วกำหนัดไปหมด ความไม่สมรวมจิตความไม่เจริญอสุภกรรมฐานหนานั้นต้องให้รู้ตัวของตัวผู้ใดก็ดีถ้ารู้ว่าตนเป็นราคาจริปมากไปด้วยราคาตันาอย่างนี้มันก็ต้องหมั่นเจริญอสุภกรรมฐานนี่บ่อยทีเดียวเจริญไปทุกที่จะบทก็ว่าได้นะอ่ไปไหนก็เพ่งอสุภะไปให้มันเห็นอสุภนิมิตปรากฏอยู่ในใจเสมอ ้านนั่นแหละราคะตัญหามันจึงไม่รุกรามครอบงมจิตใจให้เข้าใจผู้เป็นโทสาริตก็ต้องหมั่นเจริญเมตตากรุณาเสมอเสมออย่างอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังมาแล้ว น, นั่นแหละแต่ก็ต้องย้ำอีกถ้าหากว่าจิตนี้ขาดเมตตารมกับรุณาธรรมแล้ว ไอ้ความโกรธมันก็ย่อมเป็นใหญ่ในใจนี้แน่นอนเลยอ่เป็นใหญ่ได้เพราะมันมีเชื้ออยู่ในใจนั่นแต่ว่าเมื่อใจฝักไปในคุณธรรมดังกล่าวมานี่แล้วไอ้ความเชื้อของความโกรธนั้นมันก็งอกงามขึ้นมาไม่ได้เมื่อมันไม่ได้เชื้อภายนอกเข้ามาสมทบจิตไม่วันไว้ไปตาม อารมณ์นั่นอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ความโกรธนะเพราะมันมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมตั้งมั่นอยู่ในจิตใจนี่นี่แหละต้องให้รู้จักจริตนิสัยของตัวแต่ละคนนะตนเป็นผู้มากไปด้วยจริตอะไรอะ่ะหรือมากไปด้วยโทสะโมหจริตโมหจริตนี่หมายความว่า เป็นผู้มีจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์มีความเห็นผิดคลาดเคลื่อนปจากความเป็นจริงไอเรื่องที่จะเป็นสาระประโยชน์แก่ตนเช่นการเรียนทมเรียนวินยัยไม่อยากเอาฐานเลยเกียดคล้านอันนี้แหละที่เรว่โมหจริตนะความหลงไม่รู้จักค้นทางอกจากทุก ก็การเรียนทมเรียนวินยัยการจำคำสองุูลเจ้านี่ได้เชื่อว่าเป็นบทบาทหรือว่าเป็นเส้นทางเบื้องต้นที่จะนำตนให้พ้นจากทุกไปนี่มันไม่รู้นี่ไม่รู้ไม่เห็นความสำคัญของธรรมของวินยัยแล้วก็ไม่ใส่ใจไม่เรียนไม่ท่องไม่จำอย่างนี้นะเอาแต่พวกอื่นว่าผู้อื่นเห็นดียังไงก็ทำไปตามอย่างนั้นแต่ตนเองขี้เกียจคิด ที่เกียจเล่นที่เกียจจำอันนี้ท่านเรียกว่าโมหกจริตเป็นมีเพ็นผู้มากไปด้วยความหลงความเมาไม่ตื่นตัวอันมุรีให้พากันคิดกันพิจารณาดูตัวของเราเองทุกคนแหละหดูจิตใจตัวเองว่ามันมีกิเลสอะไรออกหน้าออกตาเพื่อน จิตนี่เนะี่ยมันมากไปด้วยกิเลสอะไรฉช่นนี้ไม่มีใครจะรู้ให้เรายิ่งกว่าตัวเราเองรู้เรื่องของตัวเองนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะไปหยั่งรู้นิสัใจคอของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้อย่างเจ่มแจ้ง ถึงมีก็มีน้อยแต่สาวกแต่ครั้งพุทธการนะีน้อยเพราะว่าผู้ที่จะบรรลุเจโตปริยญาณอย่างนี้นะหรือว่าปริจิตตวิชาญาณอย่างนี้นะมีน้อยเอมือ น, นคือการรู้จิตนิสัยของคนอื่นนี่นะการอย่างรู้จิตนิสัยของผู้อื่น นี่ไม่ใช่ง่ายนักนะเ้าผู้ใดไม่ได้สร้างมาไม่ได้ฝึกค้น ร, รูม้มาแต่ก่อนจะหลายชาติหลายภพแล้วอย่างนี้มันจะจะไม่เกิดขึ้นให้เลยความรู้เหล่านี้วิชาเหล่านี้นะที่ท่านผู้มีอย่างนั้นท่านปราถนาผู้ง่ายไหมจ๊อบไหมปราถนาแล้วลงมือฝึกมาตั้งแต่หลายชาติหลายภพเช่นท่านในเมื่อเกิดมาแล้วบางชาติไม่ได้ พ, พุทธศาสนา ระได้เข้าฝ่าไปบวชเป็นฤาษีมอเพนกสินธชานจนได้บรรลุ ก, กสินธชานอันเป็นส่วนโลกี อ, นนอันนี้แหละเป็นนิสัยปัจจัยให้พระสาวกบางข่านบางองค์เป็นผู้ได้บรรลุวิ ช, ชาสามหรือวิ ช, ชาแปดอภิญญาหกจะตกอธิสัมพิทายานสี่หมู่นี้นะมันล้วนตั้งแต่ ต่างองค์ต่างก็เป็นผู้มีความพอใจอยากจะได้วิชาความรู้อันวิเศษเหล่านี้เหตุนัานนะจึงได้ไม่ไม่ฝักไปในกรรมคุณอะไรนักท่านเหล่านี้นะมักจะเข้าป่าบวชเป็นพระรือศีบำเพ็ญกสิณฌานด้เกิดขึ้นหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกอย่างนี้ เมื่อมาบางชาติเกิดมาได้ามาพบพระพุทธเจ้าอย่างนี้เขาักจะได้ออกบวชได้เรียนธรรมเรียนวินยัยคำถอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปแต่ผู้ที่มีความมุ่งหวังวิชาความรู้เหล่านี้นะ่ะถ้าหากว่าสร้างบุญบา ร, รมียังไม่เข้าขั้นนั่นแม้จะได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก่อนเพราะบุญบา ร, รมีขั้นนั้นยังไม่เต็มก็ต้องสร้างบุญบา ร, รมีมาโดยลำดับเขา้าแล้วเมื่อบุญบา ร, รมี น, นั้นมาเข้าขั้นนั้นตามความบัต น, นาแล้วได้มพบพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ใดพระ อ, องค์หนึ่งได้ออกบวดพอฟังธรรมะได้ปฏิบัติได้บรรลุอรหรัตอรหันเข้าไปแล้ว คุณพิเศษแล่ว้วก็เกิดพร้อมกับอรหัตตาผลเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปได้เอาอย่างง่ายๆเหมือนอย่างคนบางคนบางพวกที่พยากรณ์กันเนนะ่ผู้นั้นได้มีงานอย่างรู้จิตของผู้นั้นอะไรต่ออะไรได้อย่างนี้ฮึไม่ใช่หรอก อันคันธาขาดคเนเอาประมาณเอาอย่างนั้นจะพอได้อยู่อันจะให้รู้ด้วยญาณอันวิเศษเกิดจากการสร้างบุญบา ร, รมีมาเท่าขั้นนั้นจริงๆอย่างนี้นี่มันต้องได้สำเร็จอรหัตผลไอ้สาวกเหล่านี้เน่ะโดยมากก็มีในรั้งพระพุทธเจ้าในเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์นทีพอยู่ มันเกิดมาประดับบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าอย่างพมหามกคันลา น, นะอย่างนี้นะก้ท่านเป็นผู้ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ไว้บ่อยแต่สร้างบา ร, รมีมาก็ได้สำเร็จฌานโลกีหอเอิญเดินอากาศก็ได้อย่างนี้เนี่ยเมื่อท่านได้มาเป็นอัคสาวุกเบื้องใายของพระสาพดาแล้ว สำเร็จอรหัตผลแล้วทังางโกเป็นผู้ทำนานในการแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ดียอดเยี่ยมกว่าภาษาพวกอื่นๆเลยนี่าวหนึ่งพระศาสดาทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยนันโทปนันทะนักราชชื่อนี้มีอยู่ในพระหงอ่ะอ น, นั่นเอง นันโทปนันทะนัคราชี้เป็นผู้มีทิฏฐิมานะมากมีฤทธิ์มากไม่กลัวใครพระองค์พิจารณาเห็นอุปริสัยว่าจาักฝึกได้ทรมานได้ให้หายพยศอันร้ายนี้ได้ก็ถึงได้ชวนพระสาวกพระโมกคันลาพระสารีบุตรพระอนุรุทธะ พระอะไรหลายองค์เข้าทานแล้วขอไปในทิศที่นาคราชอาศัยอยู่พอพยานันโทบนันพระนาคราชได้เห็นหรือได้รู้ว่าพระองค์กับพระสาวขอมากล้ไม่พอใจกับแห่งทิศขอขึ้นไปอธิษฐานตัวให้ใหญ่ยาวขวางข้างหน้านั่น ไม่ยอมให้พระ อ, องค์เหาะผ่านไปได้เลยพระ อ, องค์จึงได้พาภาษาวกลงสูเพื้นดินพักอยู่ในต้นไม้ต้นหนึ่งบรรดาและพระ อ, องค์ก็ทรงประกาศว่าใครจะไปทรมานพญานาคนี่ได้วันบรรดาภาษาวกทั้งหลายก็ท่านก็เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชก็สงควรและแต่ละองค์ ก็ไปขออาสาไปทรมานพญานาคนี่พระองค์ก็ไม่อนุญาตองค์ได้องคใดไปขอก็ไม่อนุญาตเมื่อพระมหาโมคคราะนะเนี่ไปขออนุญาตทรมานพญานาคทรงพระอนุญาตเลยอืมอย่างนี้แหละเอาแล้วทําไมยังเป็นอย่างนั้นไอ้ทรงรู้ว่าพระสาวกองค์อื่นเหล่านั้นจะสู้พญานาคไม่ได้เหรอ สู้ได้อยู่แต่ว่าเมื่อลิศเดชไม่แข็งกล้าอย่างนี้ต้องสู้กันอยู่นานกลัวจะยอมอมืข อ, อง์รู้อย่างนี้แต่ส่วนพระมหามกขลาณะ น, นี้ท่านลิศเดชของท่านนั้นแข็งกล้ามากสามารถทรม า, พานพญานาคหายพยศอันได้อย่างรวดเร็วไม่นานเท่าไร่อย่างนี้นะ พระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้เลยก็จึงได้ทรงอนุญาตให้กระมาโมกขลานะไปทรมานนันโทปนันทะนาคราชท่านก็เข้าฌานหอกไปนิรมิตกายให้ใหญ่เท่ากันกันกบนันโทปนันทะนาคราชเอาไปต่อสู้กันเมื่อให้ พญานาคพลิกแพงฤทธิดเดดไปอย่างไรพระมุขานะท่านกอกพริกแพงฤทธิดเดดไปอย่างนั้นสู้กันทุกวิถีทางในที่สุดนั้นโทวันนั้นท่านอัครราชก็สู้ฤทธิดเดดของท่านไม่ได้เน่อ้าปากอยู่งเงี่ยท่านก็เข้าไปเดินโยกมมอยู่ในปากของพญานาคก็ท่านไม่กลัวว่าพญานาคจะงับเอางับไม่ลง ด้วยอานุภาพของท่านก็ต้องอ้าปากให้ท่านเดินจงกรมอยู่ในท้องของตนอย่างนั้นแหละเพรความใหญ่และที่สุดพระโมคคัลลานะท่านก็ น, นิรมิตไม่แทะเคียนเอาไม่แทะลิศนี่มันเคียนมันเจ็บนด้ก็ยอมที่แบบนี้นะหัวยอมแล้วทึงหัวพามาเฝ้าพระสดตรุดา พญานันโทวนันทะรัตน์กนัครัตก็ได้กาบทูลพ้องพระศาสดาวา่าพระสาวกของพระองค์องค์นี้ดุร้ายมากไม่มีเมตตาปราณีต่อข้าพระองค์เลยเคี่ยนตีเอาให้เจ็บให้ปวด อ, อย่างนี้พระองค์เจ้าจึงตลัดตอบแก่พญานาคว่าดูก่อนพญานาค อพระสาวกองค์นี้น่ะท่านมีฤทธิ์เดชมากแต่ท่านยังหานสู้กับท่านเนี่ยเมื่อท่านไม่สู้ท่านยอมซะโดยดีท่านก็จะไม่เคียดไม่ตีหรอกนี่อันนี้ท่านก็ว่าท่านมีฤทธิ์มากอันนี้อไปกล้าสู้กับท่าน่ะในที่สุดท่านพญานาคก็สู้สาวกของเราไม่ได้อย่างนี้เลยเรื่องบุญญาณุภาพ <c oughs> ต่อจากนั้นพระ อ, องค์เจ้าจึงแนะนำสั่งสอนะญานาคให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธระธรรมประสงค์ในปฏิญญาตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็อำลาพระ อ, องค์ลีกไปไม่ได้มักผลอะไรต่อจากนั้นมาพญ า, น, า น, รรนันโทปนันทะนัคราชก็หายพยศอะไระไม่เบียดเบียนใครบัดนี้ นั่นเนี่ยอันนี้ท่านผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชมีคุณพิเศษนานาประการอย่างว่านี่ล้วนได้ไปเกิดในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงบัชนมาชีพอยู่เราต้องรู้อย่างนี้เพราะว่าในสมัยเช่นนั้นน่ะมันเหมาะสมจริงๆที่มีพระสงฆ์ผู้เลิศด้วยคุณสมบัติพิเศษอย่างว่านั้นเป็นการ สนับสนุนพระบรารมีของพระพุทธองค์ให้เด่นชัดขึ้น <c oughs> ให้คนทั้งหลายได้เคารพนับถือพระพุทธองค์ยิ่ ง, งขึ้นไปอย่างเช่นพระองค์ได้ทรงสั่งให้สาวกแสดงนิสแสดงเดชบางเข้าเมืองเขาอย่างนี้นะ คนทั้งหลายได้เห็นเข้าผู้ที่มีทิฏฐิมารณาจัตรแม่แต่ภาษาวกยังแสดงฤทธเดชได้ถึงปานนี้นส่วนว่าพระพุทธเจ้าทแท้ๆโอ้จะมีฤทธเดชมากสักเพงเพ่งแค่ไหนอย่างนี้นะก็ทำให้เกิดศรัทธาเรื่มใสขึ้นมาเลยอย่างนี้แหละแตวนั้นจึงว่าท่านเหล่านั้นจึงไม่เกิดร่วมกับพระองค์ช่วยพระองค์เผยแผ่ พุทธศาสนาให้แพร่หลายไปในประเทศอินเดียในครั้งนั้น <c oughs> นี่พวกเราได้ก็ฟังแล้วก็จำเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้แก่กล้าขึ้นไปว่าความประพฤติดีปฏิบัติชอบนี่นะมันทำให้เกิดผลดี ได้ตามประสงค์ของผู้บำเพ็ญจริงๆดังตัวอย่างที่เล่าให้ฟังมานี่แหละท่านที่บรรลุคุณพิเศษอย่างว่านี่มันแต่ก่อนท่านก็เอาทุกเป็นทุนไปเป็นฤาษีอยู่ในปา่าฉันตั้งแต่ผลหมากลากไม่ไปหาที่สงบสงับบำเพ็ญเพียรเจริญกัจฉินฌานให้บังเกิดขึ้น ท่านก็เอาทุกแสนทุกแสนอยากกลัวาจะาเป็นไปได้ลองฟังดูลองคิดดูนี่ยไม่ใช่ว่าไปได้มาง่ายๆนะของโมนีนะท้องในสั่งสมบุญกุญผลอันสูงส่งเหล่านี้มาในสงสารเป็นบทบาทอันสำคัญนะนนเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้สำเร็จนักผลธรรมวิเศษแล้ว คุณพิเศษเหล่านี้จึงบังเกิดขึ้นเพราะว่ามันติดสอยห้อยตามมาตั้งแต่อดีตชาติยางว่านั่นแหละพูดง่ายว่าไอฤทิเตตต่างๆนี่นะมันเกิดจากฌานมีฌานเป็นบาดเป็นหลักสำคัญทีเดียวท่านผู้ใดเป็นผู้ไม่สามารถจะบำเพ็ญฌานให้เกิดขึ้นได้นี่ไม่มีทางที่จะบรรลุ อิทธิลิต์ต่างๆดังกล่าวมานี่ได้เลยไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเป็นผู้ได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในประสงว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐอย่างนี้แล้วก็จะพากันประมาทเรามีเชื่ออยู่แล้วนะเราฝึกตนไป ตามธรรมวินัยไปเต็มที่ถึงจะไปได้บรรลุมรรคผลธรรมวินเสร็จอะไรในปัจจุบันนี้มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปเหมือนอย่างภาษาวกุกแต่ก่อนที่ท่านสอยห้อยตามพระพุทธองค์มานั่นเนี่เมื่อ็อย่างนั้นเนี่ยผลสุดท้ายท่านก็บรรลุไปได้ก็พ้นทุกไปได้เพราะเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมส่์เคารพต่อธรรมต่อวินัย ไม่รู้อำนาจกับกิเลสสัณหาอันชั่วช้าลามกต่างๆมีความเพียยนนำเนินให้ก้าวหน้าไปเบื้องหน้าเลือยไปจนกลัวจะบรรลุจุดหมายปลายทางดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้